เรื่องให้ภิกษุผลัดกันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายฤุวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสดเมทุนธรรมกับกันและกันเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่77